พระธรรมเทศนาแผ่นที่56ลำดับที่18โดยหลวงพ่ออินทายสันตุสโกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่ส0สตุลาคม2556หมีชื่อเรื่องว่าอยากฟังธรรมต้องเคารพธรรม ประดี๋ยวผมมีเครื่องเยาไปนะเอาไปมันก็ไปถิ่มเฉยๆหรอกผมมีเครื่องพ่อปันพาได้หวีเนี่ยก็ใจว่า พ, พาได้หวีไม่ชี้ขึ้นกันน่ะเอาได้หีมาถวายหวีไม่ชี้ไม่ชี้มัด ส, สีเห็ดคือกันเพราะเหตุใดผมมีผมเลยอันนี้ขึ้กันนะให้เอ็มพีสาไปแล้วไม่มีเครื่องฟังอะบุษธาเนี่ยเอาไปยังไงเอาไปทิ้งไว้เฉยๆแล้วกันเทศ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 การาจะย้อนกลับมาอีกเออเทศวันที่เท่านี้หลวงพ่อเทศน่าสนใจภาคปฏิบัติก็จะได้จดไว้แผนที่เท่านี้กันที่เท่านี้ อ, อ่าหลวงพ่อเทศเรื่องกิตภาวนาน่าศึกษาหรือใครชอบนิทานเออนิทานลวเทศกันที่ตอานี้วันที่เท่านี้หลวงพ่อพูดเรื่องนิทานชาดกเบื้องนิทานน่าสนใจก็จะจดไว้นะ เวลาเวลาเราฟังไปแล้วกับ็บฟังผ่านผ่านไปแต่ละครั้งมันก็ผ่านไปเฉยเแต่ภาพผางฟังเพื่อการศึกษานะอย่างหลวงพ่อก็ไปอยู่วัดป่าบ้านตาดหลวงพ่อไม่ได้นั่นนะเครื่องฟังเทปอยู่กับหลวงพ่อหลวงพ่อเป็นลุกผู้ดูแลหลวงพ่อฟังศึกษาทุบทวนที่องค์หลวงตาเทศต่างกลัมต่างวาระที่ผ่านมา เกิการไหนที่หลวงตาเทศหลวงพ่อจะนำมาฟังฟังจนเข้าใจฟังจนขึ้นใจในการฟังแต่ทุกวนันในฟังดูแล้วก็ยังยังจำได้ว่าสมัยหลวงตาเทศเมื่อไหรตรงไหนที่ลิขันผ่านมาและยังอัดอีกต่างหากท่านองค์กบวนทีดักเตร์ชาวท่านอยากจะได้เ p ็มีสาหลวงพ่ออัดเป็นเทปเข้าไป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 พ่อเห็นเวลาพูดพูดไปแล้วก็เปลือบตาโดยสักครั้งสองครั้งเห็นคนกระดุกกระดิกจะแสดงว่าใจมันออกแล้วลงพ่อก็หาทางลงแล้วถ้าปีนขึ้นต้นไม้เหมงอนนั้นต้องหาวิธีลงแล้วเอหลวงพ่อจะไม่พูดยาวจากนั้นเทศของหลวงพ่อยนะี่สิบนาทีบ้างสามสิบนาทีบ้างเว้นเสียจะภาคปฏิบัติถ้าภาคปฏิบัติจิตตภาวนาแล้วก็ถ้าไม่จบโรถมันหรือว่าไม่จบเรื่องราว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 ฝนตกใหม่อีกต่างหากแต่น้ํามันเยอะปลากันยังไม่มีเระมันอยู่ในกลางหมู่บ้านกลางสนามแต่มันน้ามันขังเพระมันฝนตกใหม่ปลูกปลาป้าโอ้เห็นน้ําปลูกปลบมาจะเวียงแหเลยไม่ได้นะ เ, เพอเพอไปเจอที่ขี่มากับขี้หมูไปเจอน้ําอีกต่างหากผลที่สุดล้างแหยยากอีกต่างหากไม่คุ้มค่าในการหว่านมันต้องมีปลาซะก่อน นี่กูเหมือนกันการที่จะพูดถึงไหนตรงไหนอย่างไรเราก็ต้องมองดูแต่คนพอใจไหมทุกคนไหมก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นอีกเหมือนกันถ้าให้คนพอใจทุกคนซะก่อนจึงจะเทศจึงจะแสดงธรรมหรือจึงจะพูดเกิดและตายแต่ยแล้เกิดเกิดแล้ตายพราะพุทธเจ้าคงไม่ได้อุบัติขึ้นในโลกเหมือนั้นถ้าคนพอใจซะก่อนธรรมดากิเลสมันก็ต้องต่อต้านต่อต้านธรรม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 ได้เงินไหมการแข่งการหาเงินได้เงินไหมการหาบุญกูเหมือนกันการแข่งการทำบุญมันก็ได้บุญวันยังค่านั่นแหละการทำความชั่วแข่งกันมันชั่วไหมก็ไม่ต้องพูดถึงชั่วอีกเหมือนกันยิ่งชั่วอีต่างหากอันนี้ก็เหมือนกันการทำบุญแข่งกันในครั้งพระพุทธเจ้ามีราประชาชนกับพี่น้องประชาชนทําบุญแข่งกันวันนี้ ประชาชนทำเอาเต็มที่พวกเราวันปลุกขึ้นมาพญาประสิทธิ์ทอีกเต็มที่เหนือกว่าประชาชนแข่งกันไปแข่งกันมาเผลที่สุดพญาประสิทธิล้าเพราะจะสู้ประชาชนไม่ได้ประชาชนมันมากกว่าใช่แนวความคิดก็มากหลากหลายกว่าพระเจ้าประสิมีแต่อํานาจบุญวัสนาบุญหนักสักใหญ่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 ประชาชนเขาไม่มีช้างถึงห้าร้อเชือกหรอกเ่ยพราะองค์มีช้างถึงห้าร้อเชือกเออช้างแนวหน้าช้างรบนี่ช้างเข้าสู่สงครามเอามาเลยให้ถือสเสวตชัดพระสงฆ์ห้าร้อองค์เอ็มมา ก, กั้นฉัดให้พระฉันจังหันนี่จะรู้หลาโออาคาสิกขนาดไหนงวันนางมัลลิกาพูดพระเจ้าปเสนโอชาชายๆๆ เอ่่ก็ระดมช้างเข้ามาทีเลยให้ถือฉัดถือล่มใหญ่กั้นช้างก็หมอบแล้วก็จับล่มแล้วก็ตั้งอาถนะตรงหน้าช้างพระเจ้าประเสรก็ถวายพระทหารพระพุทธเ จ, จ้าพร้อมพาสงฆ์อีกทีโอ้โหลูลาโอ อ, อลาลังการขนาดไหนเหมือนกันเต่ทีนี้ประชาชนโอ้ยอมแพ้เพราะเราไม่มีช้างถึงขนาดนี้ฮยอมแพ้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 พอมาจะเนช้างตัวนั้นโอ้โหพมันน่ารักมากเลยทําดีกว่าตัวอื่นๆอีกต่างหา ก, กว่า ง, งั้นเถอะเ อ, อยกฉัดขึ้นมาแล้วโอ้อ่อนน้อมถ่อมตัวคนทั้งหลายไม่ได้มองใครแต่มองแต่ช้างตัวนั้นแล้วกันเถอะโอ้โหทำไมช้างตัวช้างตัวที่วันรุรุทาไมมันเรียบร้อยถึงขนาดนี้วะนี่แหละอันนี้ก็คือมาในปัตรัยปิฎกอย่างนั้นเขาก็ถามท่านองค์ุลิมานท่านกลัวไหม พระที่มีปุตตชนก็มีนะพระปุตตชนก็มีเหมือนกับทุกวันเนะี่ยพระปุตตชนพระารานหะันเนี่ยมีองค์ขรรมาท่านกลัวไหมที่ท่านเขาว่าช้างตัว น, นั้นดุนะที่มากั้นฉัดให้ท่านองค์ขรรมาบอกว่าคาว่ากล้าก็ดีกลัวก็ดีไม่มีในผมท่านวานนะกล้าก็ดีกลัวก็ดีไม่มีในผมเออแสดงองค์ขรรมาอวดอุตตริมนุษยธรรมน่ะนี่เออขาว่าข่าว่าก ล, ากลา้า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 มีพระเจ้าแผ่นดินเป็นประมุกทําบุญทำทานแต่พอพระพุทธเจ้าฉันพระทหารเสร็จแล้วพระพุทธองค์เดินลงจากอาสนะเลยเดินลงจากธรรมมาตรเลยเดินลงจากบรรลังที่พรเจ้าประเสนที่จัดถวายพอเดินลงไปพระองค์ไม่ให้พรก็คะได้ไม่ไม่ให้พรไม่อนุโมธนาให้พรเดินลงไปเฉย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 นันเลยในท่ามกลางประชาชนประชาชนทั้งหลายาก็ต่างคนก็นต่างเงียบเลยทีนี้ไม่มีใครถามหรือ ไ, ไปถามอยนี้ถามพระพุทธเจ้าใช่ไหมนะพอเสร็จมาก็พระองค์กลับมาวัดปัดป่าเช็ดตะวันมหาวิหารพระเจ้าเประเสียนเนี่ยก็ภูมใจอยู่แต่ก็น้อยใจพอพอพระพุทธเจ้าไม่อนุโมทนาให้พรใช่ไนะจากนั้นพอตกตอนเย็นพระเจ้าเปรตเสียนก็นเลย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 ที่เห็นพระพุทธเจ้าฉันในบรรลังกับพร้อมขป้าสงตั้ง500องค์เขาไม่พอใจอย่างมากเนื่อพระพุทธเจ้าจแสดงอนุโมทนาให้เขาเขายิ่งไม่พอใจขึ้นมาอีกศีรษะของเถาจิตแตกเป็นเจ็ดภาคในเดียวนะแต่ฐาคตมองเห็นแล้วแต่ฐาคตจึงไม่อนุโมทนาไม่พูดอะไรขอมหาบุพพิสบายใจได้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 เพราะนั้นเราเห็นในมีพระกรุณามีกรุณาต่อเขาจึงไม่แดงธรรมเขามีความเห็นอย่างไรพระเจ้าข่านระเจาเปรียบเสียงกันลุกแล้วพระองค์บอกว่าอำมาตย์ที่สองคนเนี่ยคนหนึ่งเนคนที่มีศรัทธาเขาบอกโอ้โ oh, หทำไมพระเจ้าแผ่นดินของเราเนี่ยทำได้อล่างการถึงขนาดนี้แต่ถ้าจะเปรียบเทียบกับ พระคุณนรรมของพระพุทธเจ้าแล้วยังจิบจ้อยถ้าเป็นอย่างเราเราจะทำให้เหนือกว่านี้อีกอขนาดที่กว่าเธอแต่ต้องให้กว่านี้เพราะทรัพย์สมบัติที่ได้มาจากพันมะบูรุษเนี่ยจะทำให้เหนือกว่านี้อีกอันนี้ยังถือยังยังไม่พอใจในความเห็นของเราอันนี้คืออมตะที่มีศรัทธาวาระเจ้าประเสริฐ ท, ทำน้อยไปอยู่ อถ้าราคาเป็นพระเจ้าไป่นดินอย่างพระเจ้าเปรต เ, เนี่ยข้าจะทําให้มากกว่า น, นี้ในความคิดแต่เทนี้อมาตะไม่มีศรัทธาที่คนเทนี้เขาก็บอกว่าโอ้โหพระเจ้าประ เ, รเนี่ยทำไมโง่นะักบอลงโง่จริงๆทําไมจึงเอาทรัพย์สมบัติไปเลี้ยงสมณะศีรษะโล้นที่มานอนอยู่ในปา่ามาแล้วก็มาทําให้อลังการถึงขนาดนี้ทําไมพระเจ้าปรตเสี่ยโอ้โห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 มีแต่ว่างโง่นั ก, กว่า ง, งั้นเะเอ่ออมัดคนนี่นะแต่นี่ พ, พระพุทธองค์ก็มองเห็นแล้วมองเห็นอมัดคนนี้เออใครทายวไม่พอใจอยากมากต่อพระเจ้าเปรตเจดถ้าพระุทธองค์แสดงธรรมเข้าไปเนี่ยสัมมนาเอ่อขึ้นมายกย่องเออพระเจ้าเปรตเจดโง ด, ด้วยกันนั่นแหละอย่าว่ายอย่างนั้นไปอีกทถนี่ยจะประมาทพระพุทธเจ้าอย่างแรงอีกเถอะเนี่ยหลวงพุทธองค์เห็นความครูณาท่านก็ไม่แสดงธรรม ในเมื่อแสดงพระองค์ก็เดินออกมาพระเจ้าประเสนมาถามจากนั้นพระองค์กพระเจ้าประเสนพอทราบข่าวทั้งสองคนเนี่ยทราบข่าวถึงพระองค์พระเจ้าประเสนก็เรียกประชุมเลยพบองค์ประชุมทางเสนาอามาที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทั้งหมดมาก็เรียกมาประชุมพร้อมกันพร้อมาน้าพระเจ้าประเสนก็ถามเลยท่านอามาท่านถามอามาที่มีศรัทธาเนี่ย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 บรรพบุรุษเป็นผู้ให้มาเราก็ต้องทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษด้วยแต่สําหรับเราเงินเดือนของเราเราก็ให้พวกท่านผมบําเหน็จบํานานอะไรเราก็ไม่ได้ขาดตกปก่ อ, องหรือใครเที่ว่าเราทําให้เป็นธรรมมีไหมพระเจ้าปเสนก็ถามผลที่ถูกไหมไม่มีใครที่จะไม่พอใจใช่ไหมการบริหารจัดการพระเจ้าเสียงอ้าว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 ถ้าพอจะลงธรรมะต้งพ่อก็ลงเป็นไรไปอย่างลงตาหาบวนท่านไปนเทศที่วัดโสกา ร, รามท่านบอกว่าเวลาเราจะแสดงธรรมนะให้ปิดลำโพงซะก่อนทุกลำโพงต้องปิดซะก่อนถ้าจะให้เราเทศนะพอกำลังจะขึ้นไปลำโพงนะเอารถอยู่ที่นั่นติดที่นั่นไปบอกเลอ อย่าจะส่งเสียงเงียบซะก่อนพอท่านท่านอยังไม่ฟังเออเอแปลว่าไม่สบโอกาสที่เราจะแสดงที่เราจะเทศให้ฟังอจบเท่านี้ก่อนนะอ้าทูตเจ้าอยจะพูดก็พูดทุตเจ้าอยจะทําอะไรก็ทําแต่เรื่องแสดงธรรมเราจะไม่แสดงธรรมต่อบุคคลที่ไม่ให้ความเคารพไม่ให้ความนับถือไม่ให้ความ เชื่อฟังเราจะไม่แสดงธรรมดท่านก็ลงจากธรรมมาตเลยจากนั้นโคนทั้งหลายกับปนามมันพูดอย่างไรแต่แต่ตบัดนั้นเป็นต้นมาพอลุงตามหมาบัวจะขึ้นแสดงธรรมเท่านั้นนะวิ่งไปบอกโคศกใหญ่ๆๆๆๆเตี้ยตายลงตามหมาบัวไม่เทศนะออจากนั้นก็เลยเป็นประเพณออีโด่งดังมาเลยนะเออ อย่างที่เจ้าคุณธรรมะเจดีมัดโพที่สมพรก็เหมือนกันเอาในมลอาจารย์มหมาบัวมาเทศเอแต่เวลาเจ้าคุณธรรมะเจดีพูดไปเรื่อยพวกเคี้ยวหมากตะบันหมากกระตามมจตะบันหมากกองไข่ของเราเอท่านเขียวหมากเพรเด็ดตาตะบันหมากไอ้ท้นที่เคี้ยวกับเคี้ยวมีแต่ผัวเคี้ยวหมากเคี้ยวหมากทั้งหมดใช่ไหมลนะ่ะนั่งฟังเทศเจ้าในโบทเวลาอาจารย์มหมาบัวมาไะนะ อย่าไปทําอะไรนะอย่าไปคุยกันนะอย่าไปตำตําบัดหมากนะให้นั่ ง, งเงียบๆฟังนะไอ้เจ้าคุณธรรมะใจดีสอนเหมือนกันนะบอกลุกศิษตัวเองแต่ท่านแต่ของท่านนะ่ยท่านใจดีด้วยอพวกอยู่ในเมืองอุดรเนนะี่ยเข้ามาตะบันหมากกัตําใครตามเราต้องเคี้ยวทั้งต้องคุยกันไปด้วยใครจะคุยอะไรไอ้เจ้าคุณธรรมะใจดีทจนกรเทเศษไปเรื่อยของท่านฮะแต่นี้พอหลวงตามหาบัวมานะ่ะ อท่านเจ้าพูนธรรมอ่ะเจดีท่านก็บอกจันมหาพวนให้ดูนะเสุ่นเจ้าจะไปคุยกันนะอให้ตั้งใจฟังนะจะไปตำตะบันหมากนะเงียบนะอยู่ในความสงบนะอพวกนั้นก็เคยมาอย่างไงเใช่ไหมเคยมาอย่างเก่ามันก็ทําอย่างเก่าเลยใช่ไหมท่างตําตะบันหมากท่านก็คุยกันหลวงตายศอย่าไปคุยกันหยุดตะบันหมากหยุดซะก่อนเดี๋ยวฟังซะก่อนเนี่ย เดี๋ยวจะพูดให้ฟังถ้าไม่ฟังเลยไม่ได้นะเรามันจะไม่พูดนะพูดครั้งหนึ่งก็ยังมีอย่างเก่าพูดครั้งสองอยางเก่ามันทําไมไม่ฟังไม่อยากจะฟังเหลอไม่อยากจะฟังเอาตาำตะบันหมากต่อไปคุยกันต่อไปเดี๋ยวเราจะลงจากธรรมนะหลวงตาก็เลยลงจากธรรมะเข้าไปกราบเจ้าคุณธรรมแล้วก็เปิดแหนบเจ้าคุณธรรมว่าข้าหังว่าแล้ว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 ถ้าเป็นหมาก็ให้งับหางไว้เสก่อนถ้ามีจังหวะตึงจะยกหางยังค่อยยกใช่ไหมถ้าหญิงเขี้ยวก็หญิงเขี้ยวใช่ไหมปุบ ป, ปับไปหาหญิงเขียวมูเขาลุมกันตายตา ย, ตายต่างหากแผลเหวี่ยว่าไปหมดใช่ไหมแล้วก็มาบวชให้หลวงพ่ออินฟังเถอโอ้ยหลวงพ่ออินคนอย่างนั้นปีงี้ปีงี้ตัวเองห่างโง่หลวงพ่อก็จะว่าอย่างนั้นอีกางนี้เอะเนี่ยนนั้นพวกเรานะ่ะฟั ง, ฟ, งฟังเอาไว้หลวงพ่อเนะีสอนเน้นแนว แนวความคิดมากหลากหลายแต่มีทั้งเปรียบเทียบให้ฟังด้วยในครั้งพุทธกาลด้วยในครั้งนี้ด้วยถ้าเราไปนะัดสถานที่ใดเราต้อง ร, รู้จักการสถานที่บุคคลอัตตันยุตาอัตตัญญุตาปริสัญยุตาปุครองระโอปราฐยุตตาเนี่ยพวกเราต้องศึกษาให้รู้จักตนให้รู้จักประมาณตนให้รู้จักชุมชน